นั่นแหละทดลองเยอะเลยนะหลายอย่างเนี่ ย, ยช่วงตลอดยาวมาเรื่อยคิดดูเอาเนี่ยเนี่ยเป็นการตั้งจิตอธิษฐานแต่อันนั้นก็ระดับพระโพธิสัตว์นะนะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อที่พวกเราพอที่จะชัดเจนพอที่จะเข้าใจนะว่าอออธิษฐานแล้วเนี่ยเนี่ยสัจจาธิษฐานนะข้อที่สองเนี่ยพระเตมีเนี่ยท่านตั้ง จิตอย่างนั้นไปแล้วเพื่อที่จะให้พ้นจากการเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำให้เป็นผลจริงให้ได้เพราะฉะนั้นโอ้โหจะโดนแกล้งคุยง่ยโดนทรมานโดนอะไรยังไงเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเลยที่จะพูดไม่ยอมที่จะลุกขึ้นมาเดินเหินอะไรไม่ยอมทั้งสิน้นท่านก็จะต้องทำให้เป็นจริงอย่างที่ท่านตั้งจิตตั้งใจเอัไงให้ได้เพื่อที่จะให้เป็นจริงเนี่ยนะเพื่อที่จะไม่เป็นกษัตริย์ให้ได้ แล้วในที่สุดก็สําเร็จจนได้แหละอ่ก็ไม่ต้องเป็นกษัตริย์เพราะะอันเนี้ยอาตมาถึงบอกสัจจะที่ฐานข้อที่สองนะปัญญามีและซึ่งอาตมาว่าเอาแยกแยกให้ได้แล้วกันพอสัจจะที่ฐานข่าวนี้และคุณเอ้ยเข้มข้นละสัจจะที่ฐานคุณต้องเอาจริ ง, จ ร, งจริงนะ ยิ่งถ้าเรามุ่งมั่นจะทําอะไรเนี่ยซึ่งเรื่องอะไรในโลกเนี่ยอาตมาเคยบอกว่าเรื่องที่เราจะต่อสู้ยากที่สุดก็คือสู้กับกิเลสเรายากที่สุดเลยในโลกเนี่ยสู้กับศัตรูสู้กับอะไรอื่นๆไม่ยากเท่าไรหร่หรอกไปติดหนี้ติดศินหรืออยากจะไปหาเงินหาทองเพื่อให้ร่ํารวยเพื่อที่แข่งกับเขาสู้กับเขาเนี่ยนะไม่ยาก เปียนพยายามเข้าเหอะแล้วมันก็ยังมีอ่าอะไรอะ่ะอามิตมีอะไรต่างๆเข้ามาหลอกล่อคุณได้นะเพื่อที่ให้ทําอย่างนั้นแต่ลดกิเลสคุณเนี่ยมันมีอามิตรอะไรมาล่อคุณหรอมันไม่มีเลยบางทีเนี่ยจะอดข้าวอดน้ําบ้างอดไอ้นั่นลดไอ้นี่บ้างมันได้ที่ไหนหละ่ะมันมีแต่ต้องเอาออกไปต้องเอาออกไปมันไม่มีได้เข้ามานะ เพราะฉะนั้นมันเลยยากกว่าเงแล้วยิ่งบอกแล้วไอท้ที่ที่เราต้องตัดเราต้องลดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความติดเรื่องของความชอบใช่ไหมเราก็ต้องตัดออกอย่างเงี้ยมันเสียดายจะตายไปอะไรอวอนอยูใ่ <c ười> ใครอยากจะเอาออกอะ่ะถ้าพูดจริงๆแล้วมันมีแต่ของชอบก็อยากจะเอาเข้ามีแต่ของชังเท่านั้น ของที่เราเกียดเราถึงอยากจะเอาออกใช่ไมอ่าแต่นี่เราพูดถึงของชอบใช่ไมอ่เพราะนั้นก็ต้องตัดออกแต่ถ้าของชังเนี่ยมันมีแต่จะผลักสายไล่ทรงถ้าของชังนี่นะถ้าคุณตั้งจิตในที่ฐานต้องโกยเข้ามา <c oughs> ต้องกลับกันเพราะบอกแล้วสัจจะที่แท้จริงเนี่ยก็คือการลดกิเลส วันจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยจะต้องมีปัญญาเข้าใจถึงสัจจะที่แท้จริงของชีวิตคนเราที่จะมีความสุขจริงๆในชีวิตพระเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจเนี่ยอริยสัจเนี่ยหมายถึงสัจจะความเป็นจริงอันประเสริฐอริยเนี่ยคืออันประเสริฐของชีวิตวันสัจจะที่ฐานเนี่ยคุณตั้งจิตตั้งใจที่จะเนี่ยรู้ความเป็นจริงของชีวิตคุณให้ได้ เนี่ยที่ตั้งนี่ตั้งสัจจะเนี่ยเพื่อที่จะรู้ความจริงของชีวิตให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดเนี่ยมันเป็นทุกข์ได้มากอบโกยเยอะๆเข้ามามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขนะนี่คือสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าถึงสัจจะนี้เนี่ยนะยิ่งเราปฏิบัติได้แล้วเราเข้าถึงสัจจะนี้คุณถึงจะมารู้ว่าเออไอของที่เราติดเนี่ยถ้าเราไม่ติดได้ใช่ไหม เออเราเว้นออกถ้าได้จริงๆรแล้ว เ, เป็นสุขนะไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ตอนต่อสู้อยู่เป็นไงตอนต่อสู้มันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะมันสู้อยู่ไงแมมันอยากจะได้มาก็แหมต้องเอาออกไปส่วนไอ้ไม่อยากได้ยังจะมาให้ซะอีกไอ้ไม่อยากได้มากลับมาให้เรางเงี้ยโอ้โหรู้สึกทุกข์ใช่ไหมเอาทุกข์จริงๆนะไม่อยากได้เงินเนี่ยเขามายัดเยินเงินมาใี้ ไม่อยากได้นะคนที่ไม่อยากได้จริงๆเนี่ยพยายามยัดเยียดเงินให้เป็นทุกข์นะพูดไปอย่างนี้บางคนไม่ค่อยเชื่ อ, <c oughs> อจริงๆพูดไปอย่างนี้บางคนไม่ค่อยเชื่อคุณจะเชื่อได้และคุณจะรู้สัจจะอันนี้ได้คุณต้องลองไม่มีเงินจริงๆแล้วคุณแล้วคุณรู้เมื่อไหร่ว่าไม่มีเงินแล้วมีความสุขเนี่ยใครมยายัดเยียดเงินให้คุณนะ่ะคราวนี้แหละคุณจะสัมผัสได้ถึงความทุกข์เกิดขึ้น ว่าโอ้โหมีเงินแล้วมันทุกข์จริงๆแต่พูดไปแล้วยังมันกลับตาลปัดในโลกนี้แต่มาถึงบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆนะแต่แตมาพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเคยมีเงินมาแล้วแล้วก็เคยอยากได้เงินมาแล้วเยอะๆเคยอยากได้บ้านได้รถได้หน้าที่การงานได้ยศตำแหนง่งเคยอยากได้พวกนี้มาแล้วแล้วก็สแสวงหามาแล้ว แล้วก็ความสุขพวกนั้นก็พอมีว่างอยู่แล้วใช่ไหมไอ้อย่างนั้นละ่ะสัจจะแบบนั้นน่ะแบบโลกๆอย่างนั้นน่ะรู้และเข้าใจแต่พอลองไม่มาไม่มีเงินนี่สิซึ่งบอกแล้วถ้าคิดแล้วเนี่ยคิดให้หัวแตกเลยด้วยเอา้ามันคิดแล้วยังไงมันก็แม่มันจะสุขได้ยังไงวะอย่างเงี้ยจริงๆอาตมาถึงบอกแหมมันไม่รู้ได้ด้วยความคิดจริงๆนะ จริงๆมันต้องลองปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยพอมันเข้าถึงได้แล้วนะมันสัมผัสรสชาติที่ไม่ต้องมีเงินได้จริงๆคุณไม่ต้องพึ่งพาคุณไม่ต้องอาศัยเงินทองพวกนี้เลยแล้วคุณเจอความสุขแบบนี้แล้วอัตมันต้งบอกคุณไม่อยากมีเงินอีกเลยเพราะจริงๆมีแล้วมันทุกข์นนี่ยกตัวอย่างให้ฟัง เอาตอนนี้ยกให้ใกล้ตัวพวกคุณใครที่เลิกกินเนื้อสัตว์มาได้แล้วนะคุณกินมังสวิรัตได้แล้วอ่าอันนี้คุณพอนึกออกแล้วคนเอาเนื้อสัตว์มาให้คุณกินอย่างนี้คุณจะรู้สึกไงโอ้โหมทุกอะมันไม่อยากกินเลยมันเหม็นคาวแล้วก็ไม่สบายปากไม่สบายท้องเลยคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยยิ่งใครเลิกกินเนื้อสัตว์มาได้นานๆแล้วเนี่ย กูจะยิ่งชัดสัจจะอันนี้กูจะชัดเลยว่าคนเราจริงๆนะเป็นสัตว์โลกประเภทที่กินพืชผักผลไม้จริงๆไม่ใช่กินเนื้อสัตว์กูจะชัดเลยเพตรงเนี้ยไม่ต้องให้นักวิทยาศาสตร์มาบอกให้คุณเลยไม่ต้องคุณจะรู้ได้ตัวตัวเองเลยจริงๆนะว่าโอ้โหไม่ต้องเลยจริงๆอันเนี้ยเราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยสบายมากๆมีความสุขมากๆ ซึ่งคุณเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยอธตมาถึงบอกคุณลองทำให้สูงขึ้นไปกันนี้สิคุณลดลากิเลสไอที่ติดติดอะไรต่ออะไรลงลงไปอีกอ่าหรือพูดพูดให้ลงไปอีกอาบางคนเนี่ยสมัยก่อนอ่พวกผู้หญิงแต่งเนื้อแต่งตัวนะต้องโอ้โหเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกทรัพย์สินประดับตกแต่งร่างกายต้องเยอะแยะทาหน้าท า, าปากท า, าเปลือกตา อะไรอะใส่ตุ้มหูอะไรอีกใส่แหวนใส่สร้อยใส่อะไรอีกเอาใส่เสื้อผ้าแบบแหมทันสมัยต้องสีสันหรือถ้าคุณแบบโลกโลกเขาคุณก็ว้าวแห ว, ว, ว, วงแหว ง, วงไปตามเรื่องอ่าแต่เห็นไหมคุณลดละลงมาได้แล้วคราวนี้คุณรู้เลยจะจ้างสักพันก็ <laughs> ให้ไปทําอย่างนั้นให้ไปใส่ยอย่างนั้นแต่ไม่เอาเลยมีแต่โดนบังคับเท่านั้นจํานนบางทีเอออาจจะต้องทําบ้างใช่ไหมแต่ถ้าใครที่เรียกว่าโอ้โหยอมตายไม่ยอมทําเขาก็ไม่ยอมทําหรอกจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆนะแล้วคุณจะไม่แปลกใจเลยที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสาวกของพระเจ้าเนี่ยถือศีลแล้วเนี่ยจะไม่ยอมละเมิดศีลของตัวเองเลยแม้ด้วยชีวิต คุณเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เลยเพราะมเป็นสัจจะจริงๆมันเป็นความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้มันสุขกว่ามันสบายกว่าจริงๆวัน พ, พอเลิกรดละเลดตัณหาอุปทานอะไรต่างๆพวกนี้พอเลิกไปได้แล้วไม่อยากให้มันกลับมามีที่เราอีกเลยเพราะมันกลับมามีที่เราแล้วเราทุกข์จริงๆนะเนี่ยเข้าถึงสัจจะพวกนี้ได้ถึงจะเข้าใจสัจจะทิฐาน เราก็จะพยายามทำให้ได้จริงๆอย่างนั้นนะยิ่งมีตัวอย่างบุคคลเนี่ยเป็นจริงให้เราเห็นอยู่แล้วเอออาตมาพูดพูดให้ฟังหน่อยหนึ่งตรงที่อาตมาเองเนี่ยตอนแรกปฏิบัติทมเลยนะตอนแรกสุดเลยอาตมาก็ไม่ได้เชื่อนะว่าทำอย่างเงี้ยลดละ ก, กิเลส อ, อย่างนี้แล้วจะมีความสุขได้จริงในชีวิต ไม่เชื่ออย่าว่าแต่ความสุขเลยไม่เชื่อว่าจะอยู่รอ ด, ดได้ด้วยอแต่ว่าเอ่ยก็อตอนนั้นน่ะชาวโศกมูกลุ่มชาวโศกก็ตามสมณะชาวโศกก็ตามคือท่านก็ยืนยันว่าท่านทําอย่างนี้แล้วมีความสุขอย่างนี้จริงๆแล้วท่านก็ยืนยันหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ให้ตามมาดูเลย คือท่านบอกว่ามาดูของจริงคือไม่ต้องฟังแค่คำพูดอย่าเชื่อแค่คำพูดแต่ให้มาดูของจริงอัตมาก็ไม่ได้ตามมาดูหรอกนะว่าท่านทำจริงไหมแต่อัตมาเชื่อว่าท่านไม่พูดโกหกคือไม่รู้นะว่าจริงไหมนะแต่เชื่อว่าท่านไม่พูดโกหกคุณฟังดูนะไม่พูดโกหกก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมอ่าแต่ตอนนั้นอัตมายังไม่ยอมรับหรอกว่าจริงไหม แต่เชื่อว่าท่านไม่พูดโกหกทำไมถึงเชื่อเพราะว่าบางครั้งบางคราวที่เจอเจอท่านเนี่ยก็เห็นก็ท่านทำอยู่อย่างนั้นน่ะทำอยู่อย่างที่ท่านพูดอะ่ะเพราะนั้นก็เลยก็เลยมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าเออถ้าท่านไม่โกหก น, หนี่นะแล้วท่านยืนยันว่ามาลดละกิเลสแบบนี้แล้วจะมีความสุขที่เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต ได้ชัดเจนได้ถูกต้องแล้วนะอันนี้มันก็ค้างใจอยู่ก็เลยว่านึกว่าใจว่าเออถ้าเรียนจบเมื่อไหร่เรียนจบมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่นะก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองทำแต่จริงๆแล้วยังไม่พ้นเลยเรียนอยู่ก็ลองและแต่ว่าที่จริงจังเนี่ยไปลองเอาตอนจบมหาวิทยาลายัยลองจริงๆเพราะว่า มันคาใจอยู่อะความรู้สึกเนี้ยคือเชื่อว่าท่านไม่โกหกเพราะฉะนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้ความจริงอะเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นเองใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าเรียนจบเราจะลองทำดูก็เลยลองลองเลิกกินเนื้อสัตว์ดูอ่าลองถือศีลดูลองถือศีลห้าลองถือศี 5, ล8ดดูแล้วก็ท่านก็บอกว่า กินน้อยมือลงมาเงี้ยกินสองมือหรือยิ่งกินเหลือมือเดียวแล้วโหยิ่งสบายใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกบอกตรงๆแต่บอกแล้วว่าไม่ค่อยเชื่อที่ท่านพูดนะว่าจะเป็นความสุขแต่เชื่อว่าท่านไม่โกหกเพราะนั้นก็ลองทดลองจริงๆก็พอลองแล้วก็เออมันก็เป็นไปได้แต่ตอนใหม่ๆบอกว่าทุกอยู่หน่อยนะตอนใหม่ๆลองใหม่ๆก็เออลุกสึกฟื้นๆอยู่ แต่เมื่อตั้งใจแล้วตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้หรอกก็ไม่จะไปตั้งอธิษฐานอะไรด้วยแต่ก็แค่คิดว่าตั้งใจอ่ะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยต้องทำให้ถึงที่สุด <c oughs> คือคื อ, ค, อคือเป็นคนที่คิดว่าจะตั้งใจทำอะไรแล้วคือคือไม่ชอบทำอะไรเล่นเล่นคือถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำอาตมาเนี่ยเป็นคนประเภทถ้าไม่ทำก็คือไม่ทาแต่ถ้าจะทาแล้ว ต้องเอาจริงพวนพรตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็เลยเอาจริงไงก็พยายามทำทำทำทำให้มันถึงที่สุดคือถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะทำไปไม่ได้นะแต่ว่าโอ้โหล้มแล้วก็ต้องพยายามล้มแล้วก็ต้องพยาพยามพยายามพยายามจนถึงที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าไม่ไหวแล้วอะยังเคยเล่าให้พวกเราฟังอยู่บ่อยว่าก็ไม่ได้มาถามเลยนะก็ฝึกอะอาท่านบอกว่าท่านฝึกนอนให้มีสติ อาตมาก็ออนอนให้มีสติก็เลยนะ่ะไปนอนแบบสีหาสายญาตแต่งโง่ไงตอนนั้นไม่รู้ว่าสีหาสายญาตนอนยังไงไปเห็นพระพุทธรูปที่เขาวาดเอาไว้ในรูปภาพเขาก็เอามือค้ำไว้อย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เอาข้อศอกค้ำพื้นอย่างเงี้ยเออแล้วก็นอนตะแคงขวาอา่ก็ดูรูปเสรจะออนอนสีหาสายญาตอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยเอาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะฝึกเพราะงั้นก็ไปนอน โอ้อนมามนอนอยู่อย่างงั้นเป็นเดือนเดือนคุณคิดดูอ่ะเชื่อแม่คือแรกๆเนี่ยตั้งไวล้ล้มตั้งไวง้หงายหน้าหงายท้องคว่ำหน้ามัง่ง <c ười> คือมันตั้งไม่อยู่มันแป๊บเดียวมันก็ล้มแล้วแต่ก็โอ้ตั้งใจแล้วก็เอ๊ก็ต้องพยายามแั้นก็พยายามพยายามเป็นเดือนเดือนคุณคิดดูสิจนตาหลังเนี่ย ชักเริ่มได้ด้วยซ้ำไปแต่มันได้แบบว่าได้สักแป๊บๆนะได้สักอาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้ยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่ได้เนี่ยนะกูรู้ไหมแขมจะชาไปหมดทั้งแขนเลยแขนแข็งเลยที่มันได้เพราะแขนมันแข็งมันชาอยู่อย่างนั้นแหละ <laughs> โอ้โหจนอัตลังอัตมามันก็ความโง่มันชักจะ ค่อยๆผ่อนคลายลงความฉลาดมันชักจะมากขึ้นมาหน่อยละตอวนี้ถึงมาคิดว่าเออถ้ามันนอนอย่างงี้แล้วแขนอะไรพวกนี้มันก็ชาไปหมดเนี่ยมันคงไม่ถูกนะคือเริ่มเริ่มได้สตินะมันคงไม่ถูกนะต่อหลังก็เลยไม่เอาละเพราะคืนนอนไปแบบนี้เชื่อว่าคืนนอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเออท่าเนี้ยนะไปเรื่อยๆเนี่แขนจะต้องเสียด เพราะนั้นเลยเลิกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช้อย่างนี้เลยแต่ก็ยังนึกอยู่ใจใจว่าเอ๊ะท่านบอกว่าท่านนอนสีหาสายญาติก็ยังคิดอยู่ว่าก็ท่านคงไม่กหกแน่แตนหลังก็เลยจำนนจำยอมโดยต้องมาถามต้องมาถามสมณะคือตอนแรกที่ฝึกฝึกเนี่ยทดลองเองไม่ได้ถามใครเลยทำเองไม่มาวัดด้วยแล้วก็ไม่มาถามด้วยคิดเอาเองตั้งจิตเอาเองแล้วก็ทำเอง นะเพราะนั่นมันก็จะโง่ๆไปหลายอย่างที่ทําไปอ่ะแต่นี้พอมาถามอ้าวท่านก็เลยบอกทวเอ้ยใครให้คุณไปนอนอย่างนั้นแล้วืสอหาใส่ยาสีหาใส่ยาส์ก็นอนตะแคงขวาเอาละไอ้เท้านี่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะก็นอนเท้าเหลื่อมเท้าอ่าเข่าก็เหลื่อมกันหน่อยอย่าให้กระดูกไปชนกันอ่าส่วนมือเนี่ยท่านก็บอกก็วางไว้ข้างๆเนอะไม่ใช่ไปทับมือเอาไว โอ้โหอาตมาเนี่ยทั้งขำตัวเองทั้งกแหมบอกเออดีแล้วเสียข้างโง่งก็ดีแล้วน้แต่อย่างนี้แหละที่ผู้เทฟังอะ่ะคือตั้งจิตไว้แล้วเราก็ต้องพยายามทาเนี่ยให้มันเป็นจริงให้ได้จนถึงที่สุดเนี่ยถ้ามันจริงไม่ได้อาตมายังนึกถึงพระเจ้าถ้าบาเพ็ญทุกขกิริยาเย่างี้ท่านก็ตั้งใจจริงจริงท่านก็พยายามทำทำจน ถ, ถึงที่สุดที่ท่านใกล้จะตายเลย แต่อันนั้นอันนั้นมันมิจฉาทิถี น, นะคือท่านตั้งจิตไว้ผิดอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนั้นเห็นไหมถ้าปัญญาเนี่ยมันผิดทิดผิดทางเนี่ยนำไปทรมานตัวเองอย่างนั้นน่ยมันมิจฉาทิถีมาแต่ต้นเพราะถ้าทําต่อไปต่อไปผลสําเร็จที่จะตามมาคืออะไรถ้ามิจฉาทิถีเออไม่ได้เป็นพระเจ้าหรอกตายซะก่อนเห็นมไหมล่ะถ้าผลสําเร็จเห็นไหมเออ ถึงบอกว่าอันนี้จะต้องชัดนะปัญญาต้องเป็นสัมมาทิฏฐิพอเสร็จแล้วเนี่ยเห็มนมพระพุทธเจ้าท่านก็นเลิกแต่ท่านทําถึงที่สุดแล้วแล้วท่านถึงเลิกเนี่ยตัวอย่างพวกนี้อาตมาอยากจะให้พวกเราเราฟังแล้วเนี่ยจะได้เกิดศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นตั้งจิตที่จะทําดีอะไรนะให้แน่วแน่ให้จริงจังขึ้นมาจะได้ไม่ทําเล่นเล่นเราถึงจะได้สัจจทิฏฐานนี้ขึ้นมา พอสัจจาทิฐานแล้วเนี่ยเราถึงจะมีจาคาทิฐานเนี่ยอันที่สมเนี่ยจาคะเนี่ยคือการพอตั้งจิตมาแล้วลงมือจริงๆไม่ใช่แค่ตั้งจิตแล้วคราวนี้จาคานี่ต้องต้องลงมือทั้งกายกรรมหรือวจีกรรมหรือมโนกรรมต้องจาคะต้องเอาออกคําว่าจาคานี่คือเอากิเลสออกถึงบอกว่าถ้าเป็นของที่เราชอบกินสมมุติสมมุติถ้าเป็นของที่เราชอบกิน อ่าต้องงดต้องเว้นมันบ้างเนี่ยคือเอากิเลสตัวชอบตัวอยากเนี่ยตัดใจมันบ้างตัดเชื้อมันออกไปแต่ถ้าเป็นกิเลสตัวชังตัวโกรตัวเกียดคนนั้นไม่อยากจะพูดกับเขาอ่านี่ยกตัวอย่างไม่อยากจะพูดกับเขาอ่านี่ให้มาทางวจีกรรมบ้างโกรตคนนั้นเกียดคนนี้ไม่อยากพูดกับคนนี้เลยชังเขาแต่ตอนนี้พอเราตั้ง อธิษฐานขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเพื่อที่จะล้างกิเลสเนี่ยจะจาคกิเลสตัวเกียรติชังนี้ออกไปเพราะฉะนั้นคราวนี้เวลาตั้งอธิษฐานต้องตั้งยังไงเออเจอคนนี้จะยิ้มให้เขาเจอคนนี้จะปฏิสินธฐานจะทักทายเขาจะพูดสบายดีเหรอ <c oughs> ได้แค่นี้ก็เก่งแล้ว <c oughs> เพราะว่าบางทีคนเกลียดกันคนไม่ชอบหน้ากันนี่นะโอ้โหไม่ยอมพูดเลยใช่ไหมหน้าเบึ้งอีกตั้งหากเพราะอันนี้สมมติเราตั้งจิตขึ้นมาเนี่ยเออเจอเขาเราจะพยายามยิ้มยิ้มเจอเขาเราพยายามจะทักทายอย่างง้อยๆก็สวัสดีหรือว่าจเจริญธรรมอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะหัดพูดกับเขาขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยก็เพื่อที่จะจางคะกิเลตัวชังพวกนี้ออกไปเพราะเนี่ย จาคาทิฐานก็คืออย่างนี้เมื่ออธิษฐานอย่างนี้ขึ้นมาแล้วต้องจาคะอย่างนี้จริงๆเพราะบางคนเนี่ยปัญญาธิฐานมีสัจจาทิฐานมีตั้งไวแล้วนะตั้งจิตไว้แล้วเรียบร้อยนะว่าจะทําให้ได้จริงอย่างนั้นนะแต่พอมาถึงอพอมาถึงจาคาทิฐานปรากฏว่าเนี่ยพอเดินไปเห็นหน้าเขาเข้ า, ขาหันหลังกลับเลยไม่ยอมจาคะจริงๆเห็นไหมเนี่ยสภาวะมันบางทีเนี่ย บางคนเนี่ยตั้งอธิษฐานแล้วได้แค่อันแรกแค่นั้นเองอันที่สองยังมาไม่ถึงเลยบางทีตั้งได้อันที่หนึ่งอันที่สองแล้วอันที่สามมาไม่ถึงอีกแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจารค่าเนี่ยมันต้องปฏิบัติจริงๆจารค่าเนี่ยมาถึงขั้นปฏิบัติแล้วต้องลงมือจริงๆจะด้วยกายกรรมก็ตามจะด้วยวิจิกรรมก็ตามต้องลงมือเพราะจารค่าเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะเพียน พยายามทำบ่อยๆ บ, บางครั้งพอเดินสวนกันทีแรกเนี่ยมันไม่ยอมจากคะแต่บอกแล้วดึงกับสองเราได้มาอยู่ใช่ไหมแต่ตัวที่สา ม, มันยังไม่ยอมเนี่ยเนี่ยแสดงว่าไอ้จิตที่กิเลส ข, ของเราเนี่ยพอๆ อ, อันที่หนึ่งกันที่สองเป็นสติขึ้นมาเตือนเราปับ๊บใช่ไหมบอกแล้วเออเจอคนนี้แล้วนะต้องต้องยิ้มให้เขานะแต่กิเลสมันยังเหนือกว่างเงี้ยมันยังแรงกว่าไว้ที่เราอธิษฐานไว้นี่สู้มันไม่ไหว มันก็เลยยังยิ้มไม่ออกวันคุณก็ยิ่งต้องเพิ่มจิตของคุณเนี่ยในกูศลจิตเนี่ยวัดไม่ได้ไม่ได้โอ้โหข้านี้พลาดอีกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเจอต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้เนี่ยคุณจะบุ่งมั่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวหน้าต้องยิ้มให้ได้เราะฉันคราวหน้าเจอกันเนี่ยไม่รู้นะจะได้หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ได้อีกคุณก็ต้อง ตั้งใจเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกคือพูดง่ายว่าต้องทำให้ได้เนี่ยนีนี่นยอธิษฐานคือลักษณะอย่างนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้เพราะฉะนั้นการทาบ่อยๆเนี่ยหรือว่าความเพียรบ่อยๆหรือหรือการมีความอดทนนะมีความเพียรเนี่ยจะต้องทำมากเลยในจารคาอธิฐานคุณจะล้มสักกี่ครั้งอาตมาเคยใช้สำนวนคุณจะล้มสักร้อยครั้ง คุณจะล้มสักพันครั้งก็ตามแต่ถ้าตาบใดจิตคุณยังไม่ล้มไปด้วยฟังดิดีนะจิตคุณไม่ล้มไปด้วยเนี่ยคุณยังไม่แพ้เพราะพจนานุ ก, กรมฉบับของอาตมาเองเนี่ย <c oughs> ที่เขียนไว้เองก็คือว่าถ้าตาบใดจิตเรายังไม่ยอมล้มไปด้วยนี่นะใจเรายังมีความพยายามที่จะทำให้ได้เนี่ย อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าพอเจอเขาจริงๆนะมันก็พลาดอีกนะสู้กิเลสไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าจิตเรายังยังพยายามสู้อีกเดี๋ยวคราวหน้าสู้อีกสู้อีกสู้อีกตราบนั้นน่ยเรายังไม่แพ้คนที่แพ้เนี่ยคือคนที่จิตเนี่ยล้มแล้วก็คือยังไงคือพอครั้งที่หนึ่งเดินสวนกันไปปั๊บยิ้มไม่ออกครั้งที่สองยิ้มไม่ออกสมมุตินะครั้งที่สามยิ้มไม่ออกชาตินี้ยิ้มไม่ออกแน่ๆแล้ว เลิกดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เลิกแล้วเนี่ยคิดอย่างงี้แล้วเลิกนี่แหละคือคนแพ้คนแพ้จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันถ้าตาบดายบอกเราเรายังไม่ยอมแพ้แต่มันมันบอกแล้วใครยิ่งไปสะสมกิเลสสมมุติว่าเกียรติคนนั้นเนี่ยมันเกียรติมาตั้งห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเกียรไปจนหนาเตะก้อนมาเริ่มเพิ่มเลยนะคุณเกียรติช่างคนนี้หนามากเลย แล้วคุณตั้งจิตมาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแหมแล้วพยายามเหมือนกับเอาอะไรนะเอาเอาแฉลงเอาอะไรอะ่ะมาตอกไอ้กิเลสหนาเนี่ยนะที่เหมือนกับก้อนหินหนาๆเนี่ยกูมาตอกทีสองทีแล้วคุณจะให้มันพังง่ายๆ่าอัตมาทึงบอกโอ้โหมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าคุณคิดแบบง่ายเกินไปอะ่ะอตมาทึงบอกความจริงแล้วมันยากนะแต่เห็นไหล่ะบางทีเราตอกเข้าไปเนี่ยตุ้ ตุ้มต่อเข้าไปนะบางทีเนี่ยสกเก็ดมันหลุดนิดเดียเนี่ยนะทีนึงมันหลุดนิดนึงทีหนึ่งมันหลุดอีกนิดหนึง่งนิดหนึง่งนิดหนึง่งยังนึกอยู่นะมองไองไ้ก้อนก้อนกิเลสโต้โตอย่นะโอ้โหเว้ชาตินี้มันจะตอกหมดหรือเปล่าเนี่ยแต่ถึงมันจะตอบหมดหรือไม่หมดยังไงเนี่ยจิตที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยกูจะตอกจนตายอะ่ะเนี่ยเรียกว่ายังไงก็จะตอบให้มันให้ได้เยอะที่สุดอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นมันจะได้นิดได้หน่อยนี่นะก็เอาลหละเคยยกตัวอย่างบ่อยอะเหมือนทำจิตให้เหมือนกับบางทีเหมือนกับขอทานที่เขาให้เงินมาเขาให้หห้าห้าตังสิบตังก็ยังดี <c oughs> ที่ได้ไง <c oughs> ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอใช่ไหมไม่ใช่พราะขี้โลบแม้กะว่าให้ทีนึงน่าจะให้สัก บาทนึงหรือว่าให้ทีหาบาทพอไปตั้งจิตคิดว่าอย่างนี้ใช่ไหมพอเขาให้แค่สลึงเดียวเงี้ยมองหน้าเขานะแล้วก็คิดนะสลึงเดียวอย่าให้ซะดีกว่าโอ้โห อ, อย่างเงี้ยแล้วพอคิดอย่างงี้มันมันไม่เอาเลยใช่ไหมมันไม่อยากจะเอาเลยนะพอคิดอย่างเงี้แล้วมันไม่อยากจะเอาเลยเนั่นถึงบอกเราวางังกิเลสพวกเนี้ย เันอันนี้มันเป็นกิเลสที่ซ้อนๆเข้ามาทําให้บางทีเราจะปฏิบัติอยากจะจาคาทิฐานมันถึงทําให้สําเร็จแล้วถ้าตาบใดเนี่ยคนไปยอมแพ้ซะก่อนไม่ทําให้ถึงที่สุดแล้วมันจะติดแงกอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ไม่ได้สภาวะที่สี่คืออุปสมาทิฐานเพราะฉะนั้นคนนี้จะไม่มีวันรู้สัจจะความจริงที่เป็นรถของอุปสมาทิฐานอุปสมาเนี่ย ก็คือความสงบจากกิเลสนั่นเองคุณจะไม่เจออันนี้เลยถ้าคุณเลิกซะก่อนเพราะฉะนั้นอัตมาจึงบอกคุณจะไม่มีวันรู้ความจริงได้เลยว่าไม่ต้องมีเงินมันมีความสุขอย่างนี้ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์แล้วมีความสุขอย่างนี้ไม่เอ่อเราไม่ต้องกินหลายมือ้อกินเหลือมื้อเดียวแล้วโหมีความสุขอย่างนี้คุณจะไม่มีวันรู้เลยไม่ว่าชาติไหนนเพราะคุณไม่ทาจนมาถึงจุดนี้ให้ได้ คนที่มาทําจนถึงจุดนี้ให้ได้เท่านั้นนะ่ะมันถึงจะมีสภาวะที่เป็นอุปสมบทฐานได้แล้วคราวนี้ถ้าคุณได้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจริงๆคือนิพพานนั่นเองถ้าคุณมาได้ถึงจุดนี้วันถึงบอกว่าใครเนี่ยเลิกเนื้อสัตว์มาจนได้ถึงอุปสมบทฐานแล้วนะจิตคุณสงบจากกิเลสเรื่องเนื้อสัตว์จริงๆแล้วคุณสบายจริงๆแล้วคุณมีความสุขจริงๆที่ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยอาตมาถึงบอก ก็เหมือนกับคุณนิพพานจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นไม่เศร้าโศกไม่เสียใจใครจะกินมากใครจะกินอะไรเนื้อสัตว์อะไรไม่เลยสบายซะอย่างเลยเราะอั น, นเนี้ยเนี่ยคือสภาวะสี่อย่างของการอธิษฐานวันถ้าใครทาอธิษฐานได้ถูกต้องนะมีสภาวะสี่อย่างนี้เกิดขึ้นคุณอธิษฐานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณกจ็จะได้นิพพานในเรื่องนั้นคุณจะได้ถึงนิพพานเลยในเรื่องนั้นแล้วคุณก็จะพ้นทุกข์จากเรื่องนั้นพ้นกิเลสในเรื่องนั้นแล้วก็จะได้ความสุขที่เป็นบูปสมโมสุโ ข, ขเป็นความสุขที่หมดกิเลสได้เป็นความสุขที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะโลกุตระไม่ใช่ความสุขแบบโล โลกแบบโลกีอย่างนั้นเพราะความสุขแบบโลกๆเนี่ยเป็นความสุขที่ได้สมกิเลสแต่ความสุขแบบโล G, กุตละนี่คือกิเลสหมดไปนะอา้าก็บอกสภาวะโดยสข้อนี้ให้ฟังพว่าปีนี้คิดว่าถ้าพวกเรานะเราก็ช่วยโอกาสนั่นแหละจริงๆพวกเราก็มีตั้งพวกนี้มาทุกปีแหละแต่เขาฮิตกันปีนี้นะเขาเป็นข้านิยมในปีนี้เราเองก็เอาเอาด้วย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้การอธิษฐานเนี่ยมันมันเป็นมากผลของเราได้มากขึ้นนะอ้าววันนี้ก็คงพอท่า น, นี้